ไม่ขีไม่สบายล่ะาม่ได้เก่้บอกเก่ง่าไม่ชี้นอ๋ออ๋อไม่ได้พักผ่อนนะปินเขาใดรอบนีนร่างกายเหนื่อยบ้างอืมก็เราก็ได้เือการได้คัด มันก็หายเหนื่อยเนาะร่างกายตอนเดินทางตอนขึ้นเขามันก็มีเหนื่อยมีเมื่อยมีบน่นมี <c oughs> แต่พอเราได้อาบน้ําแล้วได้ฉนันน้ำฟันนะำนะได้พักผ่อนนอนหลับนะร่างกายมันก็ฟื้นบางทีแม้นขนาดร่างกายบางทีมันก็หลับบ้างไม่หลับบ้างเนาะ อย่างเมื่อตืนมันก็หนาวน่ยเย็นหน่อยมันก็ดับดับตื่นตื่นว่าหรือหลับช่วงหนึ่งตื่นขึ้นมาก็นอนไม่หลับเลยนะแต่เอาค่อยจริงร่างกายมันก็ยังพอยังพอไปไหวนะถ้าใจเราไววนะผมอยอาจจะมาว่าที่จริงการการเดินทดดงเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดติดใจ ใจใจของเราถ้าเรียกว่ามีความตั้งมั่นมีความตั้งมั่นเนี่ยที่เราจะเดินไปให้มันเรียกว่าเช่นจะขึ้นเขาถ้าใจเราตั้งมั่นว่าจะเดินขึ้นไปให้ได้นะเดินข้ามไปให้ได้จะเดินตามเพื่อนไปให้ได้ถ้าใจของเราตั้งมั่นนะมันก็จะพาร่างกายของเราเอี เดินทางไปได้นะนอกจากว่าร่างกายมันมันน็อกจริงๆเ น, นี่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่สิ่งสำคัญที่สุดใจนะที่มันจะมีพลังขับเคลื่อนให้ร่างกายของเรามันมีมีแรงพื้นนะคล้ายๆมันมีมีพลังที่มันซ่อนอยู่นะข้างในนะเหมือนกับคนบางคนพอเจอ ภาวะขับขันเนาะมันจะมีพลังฮึดขึ้นมาเหมือนเวลาเราบ้านบางคนถูกไฟไหม้นะเวลาถูกไฟไหม้เนี่ยมันจะมีแรงฮึดในการที่จะขนสิ่งของนั่นนี่แบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยหรือเวลาเราเข้าตาจนจ ร, จริงก็พลังมันก็จะขึ้นมาเยอะเลยอันนี้เราก็ให้ สิ่งสำคัญจริงก็คือเรารักษาใจของเราเนาะเวลาใจใจที่มันท้อใจที่มันเหนื่อยใจที่มันบ่นบางทีมันจะทำให้แรงฮึดพวกนี้มันมันจะลดลงเราต้องรู้ทันอาการของใจพวกนี้ครับที่ที่มันจะเป็นตัวบั่นทอนจิตใจแล้วก็บั่นทอนร่างกายให้มันให้มันไปไม่ไหวไปไม่ขึ้นนะ แต่แต่มันก็เกิดขึ้นบ้างแหละบางทีเดินเดินมันก็มีมันก็อาจจะเกิดขึ้นบ้างะแต่เราก็ลองสังเกตดูมันแล้วก็แล้วก็ลองยิ้มให้กับมันนะลองยิ้มให้กับมันลองพักใยมันด้วยการยิ้มนะยิ้มเหมือนรู้ทันแล้วว่ามันเกิดขึ้นมานะยิ้มแบบรู้ทันแล้วว่ามันจะมาหลอกเราแล้วนะนะไรลองสังเกตดู แค่ยิ้มนิดๆเนี่ยมันก็มันก็จะไปนะแต่บางทีถ้าเราไม่ค่อยรู้ทันเวละยิ่งคิดเนี่ยยิ่งแบบมันยิ่งเหนื่อย น, นะอย่างบางทีแบบเดินขึ้นเขาสูงๆหรือบางช่วงแดดร้อนๆเนี่ยนะบางทีร่างกายก็เหนื่อย น, นะแต่บางทีเราก็จะเกิดความคิดเลยกูมาเดินที่นี่ทําไมว่าอะไรนะ ม, มาหาความลำบาก ทำไมอยู่วัดอยู่บ้านสบายๆบางทนะีเกิดความคิดนะยิ่งคิดแบบโอ้ก็ยิ่งหมดแรงนะถ้ายังคิดต่อนะเดินไปไม่ถึงนะแต่ถ้าวางความคิดได้นะแล้วก็กลับมาอยู่ที่ไหนครับผมว่ากลับมาอยู่ที่ที่ปัจจุบันนะกลับมาอยู่ที่การเดิน คือไม่ใชแ่แค่กายอยู่กับการเดินนะแต่สิ่งสำคัญจริงคือกายกับใจมันอยู่ด้วยกันคำว่าอยู่กับปัจจุบันแบบนะี้กายกายทำอะไรอยู่นะใจก็ตั้งมั่นในการรู้ตัวอยู่กับสิ่งนั้นบางครั้งกายเราอาจจะเดินนะหรือกายเร า, า จ, จะนอนนี่นะแต่ถ้าใจเราไปอยู่ที่อื่นนะ เราก็พลาดโอกาสในการที่จะจะรับรู้นะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคือถ้ากายกับใจมันรวมกันลงอยู่ที่ปัจจุบันนะนะเราจะเห็นสิ่ ง, งต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่มันแสดงแล้วมันจะเห็นเลยว่าเออบางทีมันมีสิ่งกระทบแต่ถ้าเราแค่ แค่รู้เฉยเนะี่ยมันไม่เป็นอะไรก็ได้อนะืเราสามารถเลือกได้แล้ว่างการจะเป็นก็ได้หรือการไม่เป็นก็ได้นะเวลาเราเราเห็นเห็นข้างนอกมันกระทบเข้ามาข้างในนะข้างนอกคืออายตนะภายนอกเนอะืแล้วก็มันกระทบกับอายตนะภายในเนะ่ยมันกระทบเข้ามาในขณะที่มันกระทบเข้ามาเนะี่ย มันเกิดวิญญาณคือการรับรู้นะรับรู้สิ่งที่มันกระทบกันระหว่างข้างนอกกับข้างในขณะที่ถ้าเรารับรู้อยู่ตรงการการกระทบกันทั้งสองฝ่ายเนะี่ยเราจะเลือกได้เลยว่าเออถ้าเราขาดสตินะเราก็จะไปเป็นตามสิ่งที่กระทบถ้าถ้าเรามีสติเนี่ยเราก็จะเราก็จะแค่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ มันรับรู้อะไรขึ้นตรงนั้นมันความทุกข์กับความไม่ทุกข์มันมันก็อยู่ที่ตรงนี้นะเอนะรู้ทันการกระทบนี่แหละนะหรือบางครั้งมันไม่รู้ทันตอนกระทบมันเกิดการปรุงแต่งนะเราก็รู้ทันการปรุงแต่งนั้นนะกลับมากลับมาหาฐานนกะลับมาหาร่างกายที่กระดังเคลื่อนไหวนะ แบบปรับกายในการเดินก็ดีปรับกายในการหายใจก็ดีนะมันก็จะช่วยให้ให้เรามีพลังมากขึ้นเนาะ mm. ก็เราต้องอาศัยพวกนี้นะครับพวกธรรมะต่างๆที่เราได้ศึกษานะโดยเฉพาะเรื่องสติที่เราที่เราฝึกปฏิบัติกันเป็นประจำเนี่ยแหละนะเราจะได้เอามาใช้จริงๆเนาะเพราะว่า อย่างเราอยู่กับธรมนะธรมชาติเนาะธรรมชาติถ้าจะว่าไปอาจจะมีสองด้านนะเช่นเราอยู่ในเนะี่ยธรรมชาติก็มีความสวยงามเนาะอย่างต้นน้ําำต้นน้ําสุดิยะที่เราอยู่ตอนเนี้ยก็ก็สวยนะแต่ถ้าตอนที่เราเดินข้ามนะถ้าเราถ้าเราเพลิดเพลินกับความสวยงามแต่มันมากเกินไปนะ แล้วก็จะตกน้ำได้ใช่ไหมนะหรือป่าก็มีความสวยรนะ่มรื่นะแต่ความสวยงามมันก็มีความน่ากลัวอยู่ในนั้นเหมือนกันนะนะนะในสิ่งที่สวยงามก็มีความน่ากลัวนะในความสงบเงียบนะไม่วุ่นวายจากผู้คนภายนอกนะหรือเสียงอุกทึก จากภายนอกในความสงบนะแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวก็อาจจะมีความกลัวนะหรือความกังวลก็ได้นะบางครั้งมาสงบเกินไปบางคนก็นนนกังวลก็กลัวในทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะในความ ไม่สะดวกสบายเนาะในการกินในการนอนในการเดินทางก็ดีนะมันก็เป็นด้านหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งมันก็เป็นความท้าทายนะเป็นความสนุกนะถ้าจะมองดีๆนะบางครั้งมันก็ไม่สบายบางครั้งมันก็เหนื่อยนแต่บางครั้งมันก็เป็นความสนุกนะเป็นความท้าทายที่เราได้ทําอะไรที่มันแปลกใหม่เป็นรสชาติเป็นสีสันของชีวิตนะ ถ้าจะมองไปจริงทกทรัพสิ่งมันก็เป็นสองด้านนะนะแล้วแต่เราจะมองด้านไหนเรามองด้านบวกเรนะามองด้านดีนะเราก็จะเห็นประโยชน์ในสิ่งที่เราเกี่ยวข้องในการกระทำนั้นๆแต่ถ้าเรามองแต่ด้านลบนี่มันก็ทำให้จิตใจของเรากดหัวนะเป็นทุกขนะ์เราก็ต้องฝึกบางทีก็ต้องมองในด้านบวก มองให้เห็นประโยชน์แต่ที่จริงธรรมะก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นด้านลบนะเพราะบางทีถ้าเรามองแต่ด้านบวกตลอดนะ mm. ก็ทาให้เราประมาะททาให้เราเรียกว่าหลงการมองเห็นด้านลบนะแต่ไม่ใช่ติดด้านลบนะมองเห็นด้านลบมองเห็นด้านที่อาจจะเป็นอันตรายนะ มันก็ทำให้เราต้องระวังตัวครับผมว่าถ้าจะมองให้ดีก็มองให้ถูกทั้งสองด้านนะแต่เพีย็นนะว่าถ้าเรามีสตินะเราจะเห็นทั้งสองด้านด้านบวกก็เห็นด้านลบก็เห็นด้านความสวยงามเราก็รับรู้แต่เราก็ยังไม่ประมาทในธรรมชาติที่มันสวยงามด้านความสงบภายอก เราก็น้อมเข้ามาสู่ความสงบภายในใจด้านความอาจจะมีอันตรายแสงซ่อนอยู่เราก็เอาความไม่ประมาทมาเตือนตัวเองไว้ขณะที่เดิ น, นมองให้รอบด้านมองหน้าบ้างมองข้างบ้างอะไรคือมันทัศตินะั้นมันจะเป็นทำให้เราเรียกว่าอย่างที่ พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าผู้ที่มีสติเป็นหน้ารอบนาะสติมันจะรอบทั้งหมดนะคือรู้ทั้งภายนอกรู้ทั้งภายในนะอภายในใจภายในกายมันเกิดอะไรขึ้นเราก็รับรู้ภายนอก <c oughs> สิ่งที่มันกระทบเข้ามานะเราก็รู้ได้เร็วนะเสียงผิดปกติอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้ยิน หรือลูกอะไรตบางอย่างที่มันเด่นที่มันอาจจะเป็นอันตรายหรือมันเป็นอะไรที่มันชัดนะเราก็เห็นนะกินอะไรที่มันแปลกเข้ามาเนี่ยเราก็รับรู้นะสติมันจะทําให้เราดูรอบนะแต่บางทีถ้าบรรสมาธิมากเกินไปอะมันจะมุ่งมั่นแค่แค่ด้านใดด้านหนึ่งนบางคนอาจจะมุ่งมั่นข้างในนะ ไปเพ่งดูแต่ข้างในนี่ก็สมาธิมากเกินไปหรือบางทีสมาธิที่เราใช้กับข้างนอกนะก็อาจจะเพ่งแค่แค่ทางอยู่เฉพาะหน้าอะไรเนี้ยบางทีมันก็อาจจะมันก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะอย่างถ้าเรามอง ด, ดูแต่ทางข้างหน้านะไม่ดูข้างข้างบ้างบางทีก็ทําให้เราจดจําเส้นทางที่เราเดิน ผ่านมาไม่ได้หรือบางทีอันตรายมันอยู่ข้างๆนะไม่อยู่อยู่ข้างหน้าก็มีต้องดูรอบๆนะเหมือนคนขับรถอะ่ะถ้าขับรถดูแต่ข้างหน้าอย่างเดียวนะไม่ไม่มองคือบางทีก็ต้องมองใกล้บ้านมองไกลบ้างมองออกข้างๆบ้างนะเพราะบางทีรถเขาอาจจะมีทางแยกนะแทกออกมาเนะี่ยเราก็จะหักบกไม่ทันนะต้องมองแบบรวมๆบ้าง เนี่ยการเดินทางที่อาศัยสติเนาะมันจะทำให้เรารู้ทันทั้งทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบนะรู้ทันทั้งทั้งในแล้วก็ทั้งนอกนะคือเราก็เรียกว่ามาใช้ชีวิตนะอย่างท้าทายเนาะท้าทายศักยภาพของด้านกายก็ดีนะบังทีก็จะทำให้เราได้ ข้ามพ้นความกลัวความมิตกหรือว่าความติดสบายอะไรบางอย่างภายในใจของเราเนะี่ยเป็นการท้าทายตัวเองนะแต่อีกด้านหนึ่งเราก็ไม่ประมาทเนาะเราก็ไม่ประมาทเพราะว่าในพื้นป่าตรง น, นี้เราก็ไม่รู้ทางกระหลงกันมาหลายรอบแล้ว อันตรายอะไรจะมีข้างหน้าหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะเนะี่ยเราก็ต้องเดินด้วยความไม่ประมาทเนาะล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อยากจะให้พวกเราได้ช่วยๆกันเนาะช่วยๆ ก, นะกันดูแลซึ่งกันและกันเนาะนะดูแลทั้งร่างกายเนะี่ยดูแลจิตใจด้วยเนาะรนะนะวังรนะวังคําพูดนะคำพูดอะไรที่มันจะทําให้ บางทีมันมเหนื่อยท้อนะคําพูดนิดนึงเนี่ยก็ทำให้มันยิ่งเหนื่อยไปมากกว่าเก่านะ อ, อืก็พยายามระวังระวังคาพูดตางอย่างนะที่จะทําให้หมู่คณนะหรือเพื่อนนะเกิดความท้อหรือเกิดปฏิฆาอะไรขึ้นนกะ็รักษากันบางทีเราอาจจะคุ้นเคยกันนะส น, นิทกันอยู่แต่บางทีบางอารมณ์นะบางอารมณ์บางทีก็ มันก็ไม่อยากจะให้ใครมาล้อก็มีนะ ก, ก็ต้องระวังนะบางทีแม้บางทีสนิทกันสนานไหนอ่ะบางทีเหมือนลิ้งกับฟันอ่ะมันอยู่ใกล้กันจะรอนั่นแหละนะแต่ถ้ามันกะทบกันจริงๆอ่ะมันก็เจ็บนะก็ต้องระวังนะต้องดูดูอารมณ์เพื่อนด้วยเนาะในหมู่คณะอช่วยกันเนี่ยสิ่งพวกนี้เนาะเราก็พยายามดูให้มัน ดูดวมๆนะดูทั้งข้างนอกดูทั้งข้างในแต่ถ้าเอาเข้าจริงๆถ้าเราดูดีๆนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเราเห็นอย่างที่บอกตอนที่มันกระทบกันจริงๆมันจะมีสภาวะที่มันมันไม่ได้เป็นอะไรกับมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่มันมันเกิดขึ้นอะ่ะมันจะรู้สึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งมันแค่รับรู้ถ้ามันแบบไม่ไม่ไปคิดอะไรต่อนะมันก็แค่รู้เฉยๆอยู่นั้นแะอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่มันถ้าเราเห็นนะปุ๊บมันมันจะรู้สึกเฉยๆไม่ว่าอารมณ์นั้นจะทุกข์หรือว่าหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะแต่พอเราเห็นปุ๊บเนี่ยมันจะเฉยมากนะ มันจะเข้าใจที่สมข้อจะบอกที่จริงในความทุกข์มันก็มีความไม่ทุกข์นะหรือในความโกรธมันก็มีความไม่โกรธมันอยู่ด้วยกันจริงๆนะในความเหนื่อยนะมันก็มีความไม่เหนื่อยในทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันจะว่าอะไรมันคือถ้าเราเห็นเฉยเฉยเนี่ยมันจะไม่ก็เฉยเฉยแค่ตรงนั้นนะแต่ถ้าเราเห็นว่าไม่เฉยเนี่ยมันจะ มันจะไปเป็นกับมันจริงๆเลยลองดูดีๆนะครับลองสังเกตดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะแต่ก็อย่าไปแบบอย่าไปตั้งใจดูมากนะตั้งใจดูมากมันจะเป็นการเพง่งกานจ้องนะแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันตอนที่มันกระทบเนะี่ยในสภาวะที่มันแค่กระทบเฉยๆเนี่ยนะมันจิตมันจะเป็นปกติ ีนะ่ยจิตมันจะสงบอนะจิตมันจะไม่ปรุงแต่งอะไรเลยอนะแต่ถ้าเราไม่รู้ทันนะมันจะไปมันจะปรุงแต่งนะเป็นบวกบ้างเป็นลบบ้างนะแต่ถ้าเราแค่รู้ทันเฉยๆเนี่ยมันจะมันก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเดินก็เหมือนกันนะแน่นอนทำกายภาพแล้วก็เดินเพื่อที่จะไป ให้ถึงที่ใดที่หนึ่งในแต่ละช่วงนะแต่ละวันที่จริงมันแม้เดินวันนี้ถึงมันก็เราก็ต้องเดินต่อไปเรื่อยๆนะทํางกายภาพเหมือนกันปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันแนะ่ะบางขณะเราก็รู้บางขณะเราก็หลงนะรู้แล้วก็ไม่ใช่ว่ามันจะรู้ตลอดนะรู้แล้วมันก็หลงไดนะ้รู้แล้วมันก็ลืมได้นะหรือหลงไปแล้วนะ มันก็ถ้าเรารู้ตัวว่าหลงนะก็ดีนะเหมือนเราเดินทางนะ่ะเดินหลงป่าถ้าเรารู้ว่ามันหลงเราก็จะหาทางใหม่นะแต่ถ้าเราไม่รู้ว่ามันหลงมันก็เดิรดไปไกล น, นะเหมือนเมืม่อวานวันก่อนนะหลงไปจนเจอชาวบ้านถึงรู้ว่าตัวเองหลงเลยนะถ้าเราไม่เจอชาวบ้านเราก็ไม่รู้ว่าเราหลงนะแบบนีน้คือการรู้ว่าหลงเนะี่ยมันก็ดีนะ เรารู้ว่าเราหลงทางเราก็จะได้หาทางใหม่เรารู้ว่าจิตข้างในมันหลงนะมันก็จะทำให้เรากลับมาสู่ความเป็นปกติได้หนะลงทางเนี่ยกว่าจะกลับมาเจอทางที่ถูกเนี่ยบางทีก็ต้องใช้เวลานะแต่ถ้าจิตมันรู้ว่าจิตมันหลงเนี่ยที่จิงมันกลับมาเป็นปกติตอนที่มันรู้แล้ว เมื่อไหร่ที่รู้ว่าหลงเมื่อนั้นก็จะเรียกว่ามีสติแล้วนะแต่เราต้องรู้ทันอีกอย่างคือบางทีถ้าจิตมันหลงแล้วเรารู้ว่าหลงอนะ่ะที่จริงมันถูกแล้วแต่บางทีมันจะมีความไม่พอใจตามมาอนะีกเช่นไม่น่าหลงเลยนะไม่น่าคิดเลยทำไมแย่ขนาดนี้เนี่ยมันจะเกิดความคิดขึ้นมา อันนี้ก็เป็นการหลงแทรกเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเนาะอืเราก็ตามรู้ทันมันอีกล้วอ๋อถ้าจิตมันเกิดการบน่นเกิดการโทษตนเองนะหรือเกิดการไปโทษคนอื่นเนะให้เรารู้ทันตรง น, นั้นนะอืมาครั้งพอเราหลงปุ๊บนะพอจิตมันรู้ทันปั้งเนี่ยอนะืมันก็มีสติชั่วขนาดหนึ่งนะถ้ามันหยุดไม่ปรุงแต่งเนี่ยก็ก็ดีแล้วอื แต่ถ้ามันปรุงแต่งอีกก็ไม่เป็นไรเราก็มารู้ทันจิต ท, ที่มันปรุงแต่งใหม่นะไม่ว่าจะบน่นไม่ว่าจะโทษตนเองหรือโทษคนอื่นอะไรก็แล้วแต่นะพยายามดูตรงนี้ดูให้มันดีๆืมนะถ้าเราดูดีๆนะเราก็เราก็จะเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะภายในใจของเราซึ่งเราห้ามไม่ได้หรอกนะเราจะเห็นอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะ ธรรมะคือธรรมชาติน่แหละนะอย่างที่ว่ามันมีทั้งด้านบวกมีทั้งด้านลบนะมีทั้งด้านที่เป็นประโยชน์คือด้านที่เป็นอันต ร, รายนะหรือเป็นโทษนะแต่เอาเข้าดีแต่เอาเข้าจริงๆเราก็พยายามเราก็เพียนแค่ทำตามเหตุทำปัจจัยที่เราเราทำได้นะเหมือนเราเดินอนะ่ะเราก็พยายามหาทางให้มันถูก พยายามเดินไปขึ้นเขาก็พยายามเดินลงห้วยข้ามน้าก็พยายามเดินนะเราก็พยายามทำตามเหตุตามปัจจัยที่เราสามารถทำได้เข้าที่เรารู้นะแต่บางทีเราก็รู้แค่นี้มันก็อาจจะทำให้เราผิดทางนะมันก็คือเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งนะเหตุปัจจัยเพราะเราไม่รู้จริงๆมันก็ทำให้เราผิดทางเนะ่ มันก็เป็นตามเหตุตามปัจจัยมันก็ถูกเรานะถ้าเราเข้าใจธรรมะคาว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะเราจะไม่มีความสงสัยหรอกทำไมเราต้องเจอสิ่งนี้ทำไมต้องเกิดสิ่งนี้กับเราทำไมต้องเป็นนั้นเป็นนี่นะถ้าเราเข้าใจจริงๆมันเป็นเรื่องของเหตุเรื่องของปัจจัยนะี่มันจบเลยมันจบ เ, เราดงทาง มันก็จบเลยเพราะเราเหตุปัจจัยของเรามันไม่พร้อมมันไม่ถูกมันก็อย่างนั้นอนะ่ะมันก็เกิดแบบนี้หรือเราทําถูกเราเดินแล้วก็หาทางเจอไปถึงเป้าหมายมันก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยนะเรื่องของเหตุปัจจัยทั้งนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยเนะี่ยมันจะสําเร็จก็ดีจะไม่สําเร็จก็ดีเนะี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่อง ที่จะเอามาเป็นตัวตนนะว่าเราดีหรือเราไม่ดีนะว่าเราแย่หรือว่าเราเก่งแต่มาเป็นไปเพราะเหตุเพราะปัจจัยถ้าเรามอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเรื่องของเหตุเรื่องของปัจจัยนะการใช้ชีวิตของเรามันจะเบานะเพราะว่าอะไรไม่ได้แบกนะไม่ได้แบกทั้งด้านบวกไม่ได้แบกทั้งด้านลบ ไม่ได้แบกทั้งด้านดีและก็ด้านไม่ดีไม่ได้แบกทั้งด้านสำเร็จหรือล้มเหลวทุกสิ่งทุกอย่างีัยก็เป็นเพียงแค่ตามเหตุตามปัจจัยเป็นไปตามประสบการณ์ไปไปตามความรู้เป็นในตามเหตุที่สะสมหรือเหตุที่เกิดในปัจจุบันเนี่ยที่จริงเราเดินทางไม่ใช่เดินเพื่อจะให้ไม่ใช่เดินเพื่อจะให้สำเร็จแต่เดินเพื่อให้เราได้เห็น ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในกายแล้วภายในใจเนาะมันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จมันเป็นไปนตามเหตุตามปัจจัยถ้าเรายอมรับเหตุยอมรับปัจจัยที่มันเกิดขึ้นได้เนะี่ยมันจะไม่ทุกข์นะแต่ถ้าเราไม่ยอมรับเหตุและปัจจัยที่มันเกิดนะมันจะทุกข์ไม่ว่าจะ ก, การเดินทางในครั้งนี้ก็ดีหรือว่า ในอนาคตที่เราจะต้องเจอกับสิ่งต่างๆนะถ้าเราไม่ยอมรับเนี่ยมันจะทุกข์มากบางครั้งมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราแบบตีโปยตีพายไม่ยอมรับความจริงเนี่ยเราก็ยิ่งทุกข์กือมันเกิดไปแล้วเนี่ยถ้าเราไปตั้งคําถามไปสงสัยไปไปโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันจะทุกข์มากอลยแต่ถ้ายอมรับเลยนะแล้วก็พยายามเข้าใจเหตุปัจจัย มันเป็นแบบนี้เพราะอะไรเนะีย่ยพยายามทําความเข้าใจมันนะใจมันจะเบามันจะสบายมันจะไม่ทุกข์หลมแล้วอก็ไม่เป็นไรนะยอมรับหลมแล้วก็ไม่เป็นไ ร, นะ ก, ไนไรก็ยอมรับก็า ม, มาสร้างเหตุทั้งปัจจัยใหม่ที่มันถูกที่มันควรเนะนี่ยก็เนี่ยมันก็ทําตามนี้นะลองทำทั้งหลายมันเป็นไปตามเหตุตนะามปัจจัยนี่คําว่า อนัตตาเนี่ยไม่ใช่ตัวตนแต่คือมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอนัตตาเนี่ยคือมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยมันเกิดของมันตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่เกิดเพราะความความอยากของเรานะความกำหนดนะความมุ่งมั่นนะของเรานะแต่ไม่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่เราที่เราเรียกว่า เราก็เพียงแค่ทำให้มันถูกเหตุถูกปัจจัยหรือบางครั้งไม่ถูกเราก็ยอมรับแล้วก็ค่อยๆศึกษาเรียนรู้เข้าไปเรืร่อยๆนี่คือสิ่งที่ก็ให้เราได้เรียนรู้เนาะในการเดินทางนะืมันก็จะได้ประโยชน์มากๆถ้าเราอาศัยนี่แหละอาศัยช่วงเวลาที่เราได้เดินทาง ในครั้งนี้เนาะแล้วก็เรียนรู้เรียนรู้ธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นภายในกายภายในใจของเราเนาะเืีนน้อมเอาธรรมชาติจากข้างนอกเนาะเข้ามาสอนตัวเรานะเอาความสงบนะจากธรรมชาติข้างนอก น, ะน้อมเข้ามาสู่ใจของเรานะเวลาใดที่ใจเราฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นให้เรารู้แล้วว่า ให้กายเราอยู่กับธรรมชาติที่มันสงบแต่ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตเนี่ยแสดงว่าตัวกับใจไม่อยู่ด้วยกันนะ้อนะให้เราเตือนสติตัวเองให้กลับมานะกายของเราอยู่ที่นี่นะให้ใจเรากลับมาอยู่ด้วยนะกายของเราอยู่ในที่ที่สงบสงดัดนะให้ใจเรา มาสัมผัสกับความสงบสงัดกับธรรมชาติด้วยแต่อีกอย่างหนึ่งก็ไม่ประมาทบางครั้งท่ามที่สวยงามบางครั้งธรรมชาติที่ดูเหมือนไม่มีอะไรที่จะน่ากลัวนะแต่เราเองก็ต้องไม่ประมาทก็ต้องมีสติตื่นตัวตื่นตัวในการเรียกว่า รู้ทันนะสิ่งที่กระทบมีสติรอบนะรู้รอบนะพระพุทธเจ้าเคยตัดไว้ตอนหนึ่งว่านะให้มีสติหนุงกับกวางนะที่คอยระวังไพยนะกวางเวลาเขามาทุ่งหญ้านะมากินหญ้านะแต่ควางที่เรียกว่ามีประสบการณ์นะ ก็จะไม่เพื่อเทินแต่กับการกินหญ้านะเขาก็กินไปแล้วก็ต้องแงนคอมาดูรอบๆข้างด้ดวยว่าจะมีมีหมานในมีเสือมาหรือเปล่านะคือกินหญ้าด้วยความไม่ประมาทแต่ถ้ากวางตัวไหนกินหญ้าด้วยความประมาทเนาะ mm. ก็อาจจะไม่ดูทันว่าอันตรายกําลังพืบนผ่านเข้ามาใกล้ตัวแล้ว แต่ถ้ากวางตัวใดที่กินหญ้าด้วยความไม่ประมาทนะอันตรายก็ถ้าเริ่มมานะเขาก็จะเริ่มเห็นแล้วผู้ที่มีสติก็เหมือนกันนะมีความสุขมีความสวยงามมีความสบายนะก็ไม่ประมาทในการติดนะเห็นภัยเห็นภัยหรือว่าเห็น ถ้ามันหลงสติไฟกับเรื่องพวกนั้นเราก็จะเห็นเราก็จะรู้ทันก็จะไม่ติดในด้านสุกน์อี่คือครูเจ้ า, าบอกให้ถ้าเรามีสติใช้ชีวิตเหมือนกับกวางเราเดินทางแบบนี้ก็เหมือนกันนะีน่ก็ให้ระวังไัข้างนอกด้วยแล้วก็ระวังภัยข้างในใจของเราด้วยเนาะแต่ส่วนหนึ่งก็ เอาพลังงานจากข้างนอกน้องเข้ามาสู่ใจของเรานาะให้เราเข้าถึงความสงบหรือบางทีก็ปลอดโปร่งโล่งสบายปล่อยวางนะบางทีเรามาอยู่แบบนี้นะไม่ต้องมีอะไรต้องคิดมุ่นหมายอะไมากนะไม่ต้องมีการงานต้องรับผิดชอบอะไรมากมายใจมันว่างเนาะใจมันวางไม่ต้องไปคิดเรื่องงานเรื่องคนอื่นนะคิดไปก็ทําอะไรไม่ได้นะก็ปล่อยเลยอยู่กับปัจจุบันเนะ แค่เดินแค่กินแค่นอนพักผ่อนให้มันพอแต่ละวันก็พอละนักก็อื่ ก, ก็ปากไว้ขอคุณครัเนี่